พุทธรรมฉบับปรับขยายตอนชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่15องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สองหมวดศีลมรคข้อที่สสัมมาวาจาข้อที่สสัมมากรรมััตะข้อที่หสัมมาอาชีวะ องค์มรรคสามข้อนี้เป็นขั้นศีลด้วยกันจึงรวมมากล่าวไว้พร้อมกันเมื่อพิจารณาความหมายตามหลักฐานในคำภีปรากฏคำจำกัดความทนองยกตัวอย่างดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นฉไฉนนี้เรียกว่าสัมมาวาจาคือหนึ่งสาวาทาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ สปิสุณายวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียด 3. ภมพรุษายวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นวาจาหยาบคาย 4. ส, สัมผัพปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นการพูดเพ้อเจอ้อ ภิกษุทั้งหลายสัมมาการมันตะเป็นไฉนนี้เรียกว่าสัมมากรมันตะคือหนึ่งปานาติปาตาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 2. องินนาธานาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้สา การเมสุมิชาจาราเวรามณีเจตนางดเว้นการประพฤติผิดในกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นไง น, นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะคืออริยาสาวกละมิชาอาชีวะเสียหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ตัว อ, อย่างมิจฉาอาชีวะได้แก่การหลอกลวงการประจกการทำเลสนาใช้เล ข, ขอการบีบบังคับขู่เข็นการต่อลาบด้วยลาบนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกเป็นระดับโลกิยาและโลกุตระอีกด้วยเฉพาะระดับโลกิยามีคำจำกัดความอย่างเดียวกับข้างต้นส่วนระดับโลกุตระ มีความหมายดังนี้ 1. สัมมาวาจาที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไรอาสวะมีอริยมารกเป็นสมางคีกําลังเจริญอริยะมารกอยู่สอง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 ของท่านผู้มีจิตเป็นอริย